วันนี้ฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรพวกเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะศรัท ธ, ธาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพวกเรามีอยู่เต็มเปี่ยมภายในหัวใจเพราะมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวง ไม่มีอะไรในโลกนี้จะเลิศจะประเสริฐจะดีจะวิเศษเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ รถแห่งธรรมก็คือรถของมรรคผลนิพพานรถของวินุติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นด้วยพระธรรมที่ทรงนำมาสั่งสอนพวกเราพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายก็หลุดพ้นด้วยพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนให้แก่สาโลก ตั้งแต่วันเพนเดือนแปดคือวันอาสาหาบูชาสองเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุพระธรรมอันเลิศอันประเสริฐแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ยังติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจนมีผู้ที่สามารถ น้อมนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นจานวนมากและได้ทำหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าคือนำพระธรรมมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันนี้ เวลาก็ผ่านมาสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบอหกสิบกว่าปีแล้วพระธรรมคำสอนก็ยังมีอยู่ยังมีผู้ศึกษามีผู้ปฏิบัติมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอยู่มีแสดงถึงอาการลิโกธรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นอมะตะ ไม่ได้เสื่อมไปกับการตามเวลาเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เสื่อมไปกับการเวลาบ้านเมืองบ้านช่องสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มนุษย์เราสร้างกันมาในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็กลายเป็นสร้างฟราหักประหลาหักพังไปหมดแล้ว แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังใหม่เอี่ยมเหมือนพึ่งถอดออกมาจากกล่องแกะออกมาจากกล่องออกมาจากโรงงานถ้าเป็นโทรศัพท์ก็รุ่นล่าสุด iPhone อโฟนสิบใหม่เอี่ยมวิเศษสุดเลิศที่สุดทันสมัยที่สุดสามารถที่จะเอามาใช้ ได้เหมือนกับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแกะกล่องออกมาใช้ดันั้นพวกเราไม่สงสัยในความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะสงสัยก็คือความเกลียดค้านของพวกเราว่าทำไมมันไม่ยอมหมดไปสัทีมันน่าจะหมดไปนานแล้วฟังเทศนาจนหูฉีกแล้ว ความเกลียดข้านมันมีความอายอายมากมันคงจะหนีไปนานแล้วแต่นี่มันหนาอย่างกับเบื้องโอลิมปิกห้าห่วงห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงเมียห่วงสามีเนี่ยห้าห่วงนี้เลยไปไม่ได้ทั้ทีเกลียดค้าน ทำไมไม่ตัดมันล่ะห่วงพวกนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วนะให้มันพิ จ, จะนะารณาอนิจจังกันบ่อยๆเราอยู่ในโลกของอนิจจังมีการพัดพร้ากจากกันเป็นธรรมดามีการเกิดแล้วต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดาให้คิดบ่อยๆแล้วมันจะตัดห่วงต่างๆที่มีอยู่กับเราได้ เราห่วงเขาเขาก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่กับเขาไปแล้วเขาจะไม่แก่เจ็บตายเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ถ้าเราไปนี่เขามีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการนาของเราเราต้องถ้าเราไปก่อนพอเราไปถึงฝั่งแล้วเราก็กลับมารับเขาได้ เหมือนพระพุทธเจ้าออกจากวังไปไปปฏิบัติอยู่หปีด้วยกันพอหลังจากหปีแล้วก็กลับไปในวังไปรับพวกที่อยากจะไปตามพระพุทธเจ้าก็มีญาติที่น้องขอบวชกันเป็นจำนวนมากแม้แต่ลูกคือพระราโหนก็ได้รับบวชเป็นสนัมมาณีตั้งแต่อายุเจ็ดขวบห7เจ็ดขวบ แล้วก็ได้หลุดพ้นตามพระพุทธเจ้าไปตามลำดับต่อมาพระมารดาเลี้ยงก็ขอบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมภรรยาพระเหสีพระลาชบิดาก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมได้หลุดพ้นกันถ้าพระพุทธเจ้าห่วงไม่ยอมออกจากวังไปห่วงลูกห่วงภรรยาห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงสมบัติ ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ mm. จะไม่สามารถช่วยให้ใครได้หลุดพ้นออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm. ให้เราคิดอย่างนี้กันเราจะได้หายห่วง mm. หายกังวล mm. รีบทําหน้าที่ที่เราควรจะกระทํากันจะดีกว่าเพราะนานๆโอกาสที่จะได้ทํา ภารกิจนี้ไม่ค่อยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะจะเกิดมีภารกิจขึ้นมานี้ได้ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกพวกเราว่าให้เราทำอะไรกันให้เรามาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดกันอย่ามาสะสมภพชาติกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราพวกเราก็จะมีแต่สะสมภพชาติให้มากขึ้นไป โดยการเติมเชื้อของภพชาติเชื้อของภพชาติคืออะไรก็คือความอยากต่างๆความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นอยากร่าอยากรวยความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเรามาสร้างมาเติมเชื้อเติมภพ ความเชื่อของพบชาติกันโดยที่ไม่รู้สึกตัวคิดว่าเรากําลังม า, าหาความสุขกันมาดับความทุกข์กันต่กลับเป็นตรงกันข้ามเพราะเราเป็นเหมือนปลาที่ไม่ฉลาดมองเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดแต่ไม่เห็นไม่เห็นตะขอเบ็ดก็เลยคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะ<ม>กล้าไปฮุบเหยือ่อ ทุกแล้วก็ถูกตะขอแบบเกี่ยวฝากอันนี้ก็เหมือนกันเรามาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะเพราะเราคิดว่ามันเป็นความสุขเราคิดว่าเรามีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะแล้วเราจะมีความสุขกันเราก็มีเหมือนกับมันก็เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายแบต พอเหยื่อหมดไปแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวพอสิ่งที่เราได้มาหมดไปความสุขก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ไม่มีอะไรให้เสพเวลาไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพนี่เศร้าซ้อยหงอยเหงาเวลาไม่มีราบยศสารเสรนใจไม่มีความสุขใจไม่พองใจแฟบ ใจไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอันนี้เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ตอนที่เราได้มาแต่เราไม่เห็นตอนที่เราจะต้องเสียมันไปไม่ช้าก็เร็วเราต้องเสียมันมันไม่ไปก่อนเราเราก็อาจจะต้องไปก่อนมันเราก็คือร่างกายร่างกายที่เราใช้เสพรูปเสียงกลิ่นรสใช้เสพลาบยศสรรเสริมมันก็ ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายพอเราจึงกลัวแก่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายความไม่อยากแก่เจ็บตายนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องไปเกิดกันใหม่ไปหาร่างกายใหม่ เพราะเราไม่ชอบร่างกายที่แก่เจ็บตายเราอยากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มามาเป็นเครื่องมือหาความสุขเราจึงกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังติดอยู่ในกรงของการเวียนว่ายตายเกิดหรือติดในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิด คุกตรังที่มีกำแพงอยู่สี่ด้านคือด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายอยนี mm ้เราติดอยู่ในคุกตรังนี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน mm hmm. นานๆานจะมีคนฉลาดมาบอกทางออกจากคุกตารังนี้ให้กับพวกเรา คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้คบทางออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายท่านได้ออกไปแล้วแล้วท่านก็เลยเข้ามาบอกพวกเราว่าไปทางนี้กันไปทางนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้และจะเป็นไปได้เรื่อยไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเรา ไม่ทําตามที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกทั้งหลายสอนให้เรากระทากันเอแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกก็นานๆจะมาปรากฏให้เราได้พบกันสักครั้งหนึ่งถ้าเกิดแล้วไม่พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของเราได้ว่าเรากําลังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย เราจะไม่รู้จากทางออกจากคุกตารางอันนี้จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้นานๆานานจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเป็นเวลานานคึกหนึ่งเป็นกลับเป็นกันกลับนี้เราไม่สามารถเขียน ด้วยตัวเลขได้เพราะมันมีศูนย์เป็นนับเป็ น, เ ป, นเป็นหมื่นเป็นแสนเลขเนี่ยนคิดอย่างนั้นตอนนี้เราเขียนตัวศูนย์ได้อย่างมากก็เก้าและหกหลักก็ได้หนึ่งล้านอ่ ะ, อะมีศูนย์หกตัวมีเลขหนึ่งตัวข้างหน้าอมั่นก็เป็นหลักล้านแต่นี่มันศูนย์เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนศูนย์่ะ ที่ตามด้วยตัวเลขหนึ่งเนี่ยคือเวลาปีที่ทำให้เกิดหนึ่งกลับขึ้นมานานนานเนเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่เราได้ทำกันอยู่ในขณะนี้และจากอดีตที่เราทำไว้ยังที่เรายังไม่ได้ใช้มัน เราก็ต้องไปใช้มันต่อแล้วก็ต้องมารอเข้าคิวมาเกิดเป็นมนุษย์กันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะมาสร้างพบสร้างชาติกันต่อมาทำตามความอยากต่างๆการทำตามความอยากนี้เป็นการเติมเชื้อของพบชาติเหมือนกับการเติมน้ำมันทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด ในตายพบในวัฏจะสงสารไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้เราไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดเติมน้ำมันถ้าเราหยุดเติมน้ำมันรถของเราก็ไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ไม่มันก็จะไม่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่มีใครบอกเรา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครบอกเราเราต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาความเชื่อแล้วมีความพยายามมีความเพียรวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติตามคำสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้ามีความเพียรพยายามแล้วทำไปกำลังมันจะมากขึ้นไปเองเหมือนกับเด็กเด็กที่มีความเพียรพยายามก็จะเดินเหินได้ตอนต้นก็ต้องคลานไปก่อนคลานแล้วก็ลุกขึ้นมายืนยืนได้แล้วก็เดินเดินแล้วก็วิ่งได้ <Yeah. S 1> การปฏิบัติทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับ การเจริญเติบโตของเด็กทารกมีการพัฒนาการถ้าไม่ทำอะไรมันจะไม่พัฒนาการถ้าเด็กไม่หัดคลานเด็กมันจะคลานไม่ได้เมื่อคลานไม่ได้มันจะยืนไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้แต่ถ้าเด็กมีความพยายามที่หัดคลานหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งต่อไปก็สามารถวิ่งมาราธอนได้สามารถ วิ่งแข่งชิงเหรียญทองโอลิมปิกได้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันก็ต้องเริ่มต้นจากการคานไปก่อนอทำบุญทำทานไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยตามศรัทธาก็ทำไปแล้วก็รักษาสิ่งไปมากน้อยตามกำลังแล้วก็หัดภาวนาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบ หัฟังเทศฟังธรรมให้เป็นนิสัยฟังบ่อยๆพ อ, อได้ฟังได้ปฏิบัติก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นว่าทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะได้ความสุขทางใจทำให้ความทุกข์ทางใจน้อยลงแล้วก็จะทำให้เกิดมีกำลังที่จะทำมากขึ้นตอนต้นก็ทำร้อยละสิบ ต่อมาพอรู้พอเห็นผลจากการกระทาว่ามันดีมันเลิศทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงทำให้เข้าใจว่าภพชาติจะน้อยลงไป BigQuery, us, solution, hmm, oh, ตามลำดับก็เลยอยากจะเพิ่มการกระทาจากร้อยละสิบก็เป็นร้อยละยี่สิบทำทานร้อยละยี่สิบรักษาศีลร้อยละยี่สิบภาวนาร้อยละยี่สิบฟังเทศฟังธรรมร้อยละยี่สิบ ค่อยพัฒนาไปจากร2 0ยิก็เป็นร้อยสขึ้นไปเดี๋ยวไม่นานก็เต็มร้อยเดี๋ยวก็ทำทานเต็มร้อยได้เพราะไม่เอาเงินทองไปใช้อะไรแล้วเอาเงินทองเก็บไว้ถ้าถ้าถ้าไม่ได้บวชก็ต้องมีเงินทองเก็บไวส้สำหรับซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย ก็เก็บไว้ใช้แต่จะไม่ไปแสวงหาเงินทองเพื่อมาเที่ยวมากินมาดื่มมาเล่นกันแล้วถ้าจะหาเงินก็หาเพื่อที่มาสนับสนุนการรักษาศีลการธรรนาเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือการปฏิบัติต้องทำ จากที่เรามีอยู่เป็นอยู่ขณะนี้อย่าไปทํามากกว่าที่เราสามารถจะทําได้เพราะมันจะทำมันจะทําไม่ได้แล้วมันจะทําให้ทอ้อแท้และอาจจะยกทงขาวเลยไม่ทําเลยเน้นพยายามทําทําได้เท่าไหร่ทําไปแล้วมันจะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆทําแล้วมันจะทําให้เรามีศรัทธามากขึ้นมีวิริยะ ความบุษสาหามากขึ้นจะทำให้เราทำได้มากขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอนทุกคนทำอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่มาทำแบบเต็มร้อยทีเดียวเลยยกเว้นคนบางคนที่ได้เคยทำมามากแล้วในอดีตชาติกอได้มาฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็ออกบวชได้บรรลุธรรมได้ เช่นในสมัยพุทธกาลมีพาหิยะมีเป็นคาราวาดญาติโยมขอฟังเทศจากพระพุทธเจ้าระหว่างที่ทรงบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแต่เธอก็ยืนยันขอให้โปรดเถิดสั้นๆก็ยังดีคำสองคำก็ยังดีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่า ขอให้เธอสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่รู้เฉยๆรู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรสักแต่ว่ารู้ไปเธอก็เข้าใจเธอก็บรรลุทำได้เลย แล้วก็ขอขอออกบวชไปเตรียมขอลาไปเตรียมเตรียมตัวหาอัถ บ, บริขารระหว่างทางก็ถูกกระทิงขวิดตายพอมีคนมารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าก็บอกให้จัดการชาวปนักกิจศพเขาแล้วก็เอากระดูกอัฐิเขาบรรจุไว้ในสถูป ก, การบรรจุสถูปบรรจุกระดูกอัฐิ ของผู้ที่ร่วงรับไปแล้วในสถูปนี้แสดงว่าเป็นพระอารหันต์แล้วสมัยโบราณจะเป็นธรรมเนียมที่จะเก็บอัฐิของพระอารหันต์ไว้ในสถูปเพื่อเป็นอนุสรของผู้ที่มาที่หลังอนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าโลกเหล่านี้มีพระอารหันต์มีมนุษย์ที่สามารถที่จะ ปฏิบัติตนเองให้ก้าวออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้ศึกษาและนำเอาไปเป็นตัวอย่างจะได้ปฏิบัติจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษแล้วก็มาทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมาว่าถ้าเป็นคารวาสแล้วบรรลุ เป็นพระอานารแล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะต้องตายอันนี้มันเป็นเพียงเหตุบังเอิญเท่านั้นเองที่มีอยู่สองกรณีอีกกรณีหนึ่งก็พระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่เสด็จสวนบรรลุเจ็ดวันก่อนเสด็จสวนโคตรเพราะช่วงนั้นพ่อของไม่สบายใกล้จะสวรรค์จะใกล้จะเสด็จสวรโคต พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดไปแสดงธรรมไปสอนให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วก็ตายไปเจ็ดวันหลังจากนั้นก็เลยมีคนมาพูดกันว่าถ้าเป็นค า, า, ารวาแล้วไม่ได้ถ้าบรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชแล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผละ การบรรลุเป็นพระอรหันต์จะไปเป็นพิษไปฆ่าร่างกายได้อย่างไรไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์คกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บวชกับใครเลยหรือว่าจะเป็นนักบวชการคําว่าเป็นพระอริยะก็ว่าเป็นพระอยู่แล้วพระอรหันต์ก็เป็นพระอยู่แล้วเป็นนักบวชอยู่แล้วนักบวชที่แท้จริงพระที่แท้จริงคือพระอริยะเจ้า พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นพระในใจอยู่แล้วทางร่างกายเพียงแต่โกนหัวแล้วก็นุ่งนุ่งขาวห่มขาวรูดเนื่อหลวงห่มเหลืองนี่มันจะไปเปลี่ยนความเป็นพระอริยะได้ไห ม, มันไม่ได้เป็นพระอริยะเพราะผ้าเหลืองกันหรอกถ้ า, างั้น คนสมัยนี้ก็บวชกันไปซื้อผ้าเหลืองมาหม่มกหัวกันก็เป็นผ้าอริยะกันขึ้นมาถ้ามันมันไม่มีเหตุเป็นผลฟังแล้วมันไม่เข้าท่านไม่ต้องกังวลอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวพอได้เป็นพ้าอรหานต์แล้วจะต้องตายถ้ายังไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันคนที่จะเป็นพ้าอรหันได้ก็ต้องเป็นแล้วบวชก่อนแล้วบวชทางใจแล้ว ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วถึงจะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้อย่าพระเจ้าชายสุสโทธทนะก็มีศีล น, นอนอยู่เฉยเฉยไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ประพฤตมอะไรทั้งสินส้นศีลมีครบทุกข้อศีลห้าก็มีศีลแปดก็มีศีลสิบก็มีศีลสองร้อยี่บเจ็ดก็มีการเป็นนักบวชก็บวชที่ศีลไม่ใช่หรอ ไม่ได้หยุดไม่ได้บวชที่ผ้าเหลืองเนี่ยผ้าเหลืองมันจะมาทําให้เป็นผ้าเป็นเป็นศีลขึ้นมาได้ยังไงถ้าเป็นได้คนขายผ้าเหลืองก็โอ้มีศีลเยอะแยะนะไม่ต้องมาขอศีลกับผ้าให้เสียเวลาไปขอศีลที่ร้านขายผ้าเหลืองก็ได้ผ้าเหลืองการหม่มนี้เป็นเครื่องแบบของนักบวชของผู้ที่ถือศีลเท่านั้นเองศีลนั้นอยู่ที่ใจใจที่ ไม่กระทำอะไรผ่านทางกายทางวาจาเรียกว่าศีลสงบกายสงบวาจาข้อใจสงบดังนั้นไม่ต้องกลัวรับประกันได้ว่าถ้าเป็นผ้าอรหันแล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันจะตายไปไม่ตายรับรองเพราะว่าได้บวชแล้วการจะเป็นผ้าอรหันได้นี้ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถึงจะเป็นได้ น, นี่ก็เป็นเพียงแต่ความเข้าใจผิดนนก็ต้องบางทีก็ต้องคอยบอกให้ฟังให้ทราบไว้เพื่อจะได้ไม่กังวลกลัวว่าตอนนี้เป็นค า, ารวาะเลยไม่กล้าปฏิบัติกลัวปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเป็นท่ า, าหันแล้วจะตายกันอันนี้ก็เป็นช่องของกิเลสที่จะได้ไม่ต้องปฏิบัติกันเนี่ยมันกิเลสมันจะคอยหลอกคอยล่อให้เราไม่ปฏิบัติกัน แล้วก็จะบอกต้องรอไปบวชก่อนบวชบางคนก็บวชต้องบวชเป็นภิกษุณีด้วยถึงจะเป็นพระอารหันได้ถ้าบวชเป็นแม่ชีเป็นไม่ได้อีกต้องเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีอันนี้ภิกษุณีไม่มีแล้วเหตุนพวกที่เป็นผู้หญิงนี่ก็ไม่มีวันที่จะเป็นพระอารหันกันได้แล้วพวกคุณแม่แก้วพวกกอเขาสวนหลวงทำไมเขาถึงเป็นกันได้ เขาก็ไม่ได้บวชเป็นภิกุณีเขาก็ถือศีลสิบศีลแปดกนศีษะนุ่งขาวห่มขาวรู้สึกก่อเขาสูญหลวงเขาไม่ได้บวชทีได้ซ้ำไปเขาเป็นฆาอุบาสิกาอันนี้มันเป็นเพียงแต่เครื่องแบบเท่านั้นเองแต่ตัวบวชนี้มันบวชที่ใจบวช ด, ด้วยศีลสมาธิปัญญา จากนั้นถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาทางจิตใจก็สามารถเป็นผ้าอารหันได้ไม่ได้อยู่ที่ใครกนกนสีแสะแล้วห่มเหลืองถึงจะเป็นผ้าอารหันได้ถ้าเป็นได้ปบนนี้บางไทยก็มีผ้าอารหันเป็นแสนเป็นล้านนั่นเองเพราะมีนางบวชห่มเหลืองกันเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ทำไมกลับไม่มีผ้าอารหัน จากพวกที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองมีก็น้อยอก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่การนุ่งเหลืองห่มเหลืองอมันอยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาว่ามีหรือเปล่ามีเต็มร้อยหรือเปล่าก่อนจะบัดก่อนจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยได้ก็ต้องทำทานให้เต็มร้อยก่อนเกือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมด ไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์เพราะมันจะเป็นการเสียเวลาจะทำให้ไม่มีเวลามาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้เต็มร้อยนั่นเองคย่าผู้ที่จะมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยต้องมีทานเต็มร้อยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าต้องยุ่งเกี่ยวสำหรับสุภาพสติก็อาจเฉพาะมีไว้สาหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทอง มีไว้สำหรับใช้จ่ายสำหรับปัจจัยสี่หรือถ้าไปอยู่วัดจริงๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เพราะวัดนี้เขาก็มีปัจจัยสี่ให้อยู่แล้วมัไม่ต้องใช้หรอกถ้าถ้าบวชจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่แบบไหนก็อยู่ได้อยู่แบบแจ๋วก็อยู่ได้จะให้เข้าครัวไปล้างถ้วยล้างชาม ทำกับข้าวกับปลาอะไรก็ทําได้เหมือนก็เป็นหน้าที่ช่วงเดี๋ยวเดียววันไม่กี่ชั่วโมงตามวัดพระก็มีหน้าที่ต้องไปบินทบาทก็ต้องปัดกวาดกว า, าดถูสาราล้างซ่วมอะไรต่างๆมันก็เป็นหน้าที่ที่ต้องทํากันในวัดเท่านั้นเองแต่มีเวลาจํากัดไม่ได้ทํากันตลอด24ชั่วโมงหลังจากทําภารกิจที่จําเป็นต้องทําเสร็จแล้วก็ มีเวลาออกไปปฏิบัติไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตามที่พักที่อาศัยของตนปัญหาคือไม่ได้มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่มีเวลาปัญหาคือไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติกันไม่มีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรมีแต่ความขี้เกียจความเกียดข้านกันอันนั้นละเป็นปัญหามากกว่างั้นขอให้เรา พยายามฆ่าตัวนี้ให้ได้คือความเกลียดค้านฆ่าด้วยความกรหยันหมันเพียนมันขี้เกียจก็เอาความกรหยันมาใส่มันมันขี้เกียจเดินก็บังคับให้มันเดินสามชั่วโมงไปเลยให้มันรู้แล้วรูลอดไปอย่างนี้ถ้าไม่ทาอย่างนี้แล้วมันไม่มันฆ่าความเกลียดค้านไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเนี่ยเดินจงกรมกันจนเท้าพองจน ฝ่าเท้าแตกคือความเพียรขอให้เราให้มีศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วจะได้ดุจพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนเมื่อมีความเชื่อแล้วมันจะมีความเพียรตามมาความขยันหมั่นเพียรจะตามมาะ พอมันมีความขยันหมั่นเพียรมีการปฏิบัติผลก็จะตามมาพอผลปรากฏตามมามันก็ยิ่งทําให้เกิดมีศรัทธามากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นมันก็จะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะสามารถบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าบรรลุไม่ได้แล้วจะมีพระอาหาัรตสาบบกปรากฏขึ้นมาได้อย่างไร จะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระอนันตาสาวกทุกพระองค์ก็บรรลุด้วยความเพียร น, นี่เองหลุดพ้นจากกองทุกข์ด้วยความเพียรด้วยศรัทธาความเชื่อในทางของพระพุทธเจ้าในทางของธรรมะที่จะพาให้จับโลกได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือทางของมัชฌิมาปฏิปทาเอ มักแบบหรือศีลสมาธิปัญญานี่เองต้องมีศรัทธาความเชื่อแน่วแน่ว่าทางนี้แหละคือทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางอื่นมันไม่ใช่ทางเช่นความดับทุกข์ด้วยการไปหาความสุขมาทำลายความทุกข์ในเวลาทุกข์ก็ไปเที่ยวกันอันนี้ดับความทุกข์ได้เดียวเดียวเดี๋ยวพอกลับมาจากเที่ยวความทุกข์ก็กลับมาใหม่ วิธียดับความทุกข์อย่างถาวอนนี้ต้องดับด้วยศีลสมาธิปัญญาต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาตลอดเวลา24ชั่วโมงยกเว้นเวลาหลับเต่นขึ้นมานี้ต้องศีลสมาธิปัญญาพอเวลาหลับก็พักชั่วคราวพอเต่นขึ้นมาก็ตรวจตาดูว่าศีลเราครบหรือเปล่าเรามีสมาธิมีสติหรือเปล่า เรามีปัญญาเราเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเปล่าเห็นอสุภะหรือเปล่าต้องเห็นสิ่งเหล่า น, นี้จึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิปัญญาแล้วความอยากทั้งสามโดยการว่าตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้พอโผล่ขึ้นมามันก็จะถูกกำจัดไปทันทีมันจะถูกธรรมะคือศีลสมาธิปัญญากำจัดทันที ต่อไปความอยากต่างๆก็จะถูกทําลายหายไปหมดใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนบ้านเมืองที่ปราศจากโจรผู้ร้ายบ้านเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้ายนี้ก็สามารถอยู่กันอย่างปลอดภัยอยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุขจะไปไหนเวลาไหนไปคนเดียวหรือไปกี่คนก็ไม่มีโจรผู้ร้ายที่จะมาคอยทํำลาย ไม่มีโจทย์ผู้ร้ายจะมาคอยป้นคอยขี้คอยขโมยข้าวของต่างๆใจของใจก็เหมือนกันพอใจได้ทำลายความอยากต่างๆหมดไปก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจไม่มีอะไรมาเดึงให้ใจไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายต่อไปนี่คือธรรมะอันประเสริฐ ที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงก็คือลถของวิมุตติที่เกิดจากการบรรลุมรคนิพพานมรคนี้ก็แบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันมรคนี้เป็นคู่มรคเป็นเหมือนบันไดผลเป็นเหมือนชั้นที่เราต้องการขึ้นไปเราจะขึ้นชั้นบนได้เราอยู่ชั้นล่างอยากจะขึ้นไปชั้นสองเราก็ต้องเดินขึ้นบันได เราเป็นปุถุชนเราอยากจะขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเราก็ต้องเจริญโสดาปฏิมัคบันไดของพระโสดาบันก็คือเราต้องมีปัญญามีศีลสมาธิปัญญามาล ะ, ะสังโยชน์สามข้อด้วยกันคือสักกายทิฏฐิวิจิตกิจชาศีลพัตตะปาะมาศ สักกายะทิฐิก็คือการเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราของเราเห็นร่างกายว่าเป็นตัวเราเห็นว่าความเจ็บความรู้สึกต่างๆนี้เป็นตัวเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศร่างกายนี้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศใช่ไหมฝนตกแล้วก็หยุด ร่างกายโผมาแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำนมไฟที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันดับไปไม่มีใครยับยัง้งไม่มีใครห้ามมันได้เวลามันเจ็บก็ไม่มีใครไปยับยัง้งไปห้ามมันได้คนที่เข้าใจมีดวงตาเห็นธรรมก็จะไม่ไปยุ่งกับร่างกาย ให้ศักแต่ว่ารู้แบบที่พระเจ้าทรงสอนปาเฮีะให้รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้รู้ว่ามันแกร่รู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันตายไม่ต้องไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วจะไม่ทุกข์แล้วจะไม่ไปยึดไม่ต้องไปเกิดใหม่นี่คือการละสังโยต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาปัญญาโดยเฉพาะปัญญาศีล ส, สมาธินี้จะมีอยู่ ใช้เหมือนกันทุกขั้นแต่ตัวปัญญานี้จะใช้ต่างกันไปตามเป็นข้อสอบที่ต้องทำต่างกันไปปัญญาสำหรับพระโสดาบันกะร ะ, ะเนื้อสักกายาทิฏฐิถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันไปไม่อยาก พอไม่อยากก็เลยไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติให้มาเป็นของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ pregunta. ก็เลยไม่เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนว่าไม่เอาแล้วไม่เอาสิ่งที่ไม่ได้เป็นไม่เอาธรรมชาติมาเป็นของเราปล่อยให้เป็นของธรรมชาติไป ฝ่าให้น่างกายเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วก็จะหายสงสัยในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เพราะคําสอนของพพุทธเจ้าที่ได้สอนมานี้เอามาใช้จนเห็นผลปรากฏขึ้นมาในใจมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่เป็นธรรมชาติมาเป็นของเรามันก็เลยทําให้ทุกข์ แต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าเห็นด้วยมรคว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติก็หยุดความอยากพอหยุดความอยากความทุกข์ก็ดับไปก็เลยทำให้ละสักยทิฏฐิละสิวิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้โดยที่ไม่ต้องไปประเทศอินเดียไม่ต้องไปเสียเงินขึ้นเครื่องไป ดูตัวมีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ uh, uh, เห็นพระพุทธเจ้าในใจ uh. เห็นจากคำสอนของพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นมาในใจ uh, uh. แล้วก็จะไม่ไปทำประกอบพิธีอะไรต่างๆ uh. จะไม่ลูบคำในศีล uh, uh. จะรู้ว่าการรักษาศีลนี้เป็นวิธีที่จะป้องกันภัยต่างๆความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น uh. uh. ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมอะไรเพื่อที่จะปกป้องรักษาร่างกายทำบาปทำกรรมก็ไม่สามารถปกป้องรักษาร่างกายได้ถ้าล่างกายจะต้องอดตายก็ปล่อยมันตายไปแต่จะไม่ไปข่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงร่างกายจะรักษาสีมอย่างบริสุทธิ์ตลอดเวลาอันนี้เป็นตัวอย่างของมรรคมรรคที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาละสังโยชน์ 3ข้อแรกส่วนสังโยชนอีกสองข้อคือการมาราคะกับปฏิฆะนี้ก็ต้องละด้วยการเจริณาสุภะถ้าเห็นสุภะตลอดเวลาก็จะละการมาราคะกับปฏิฆะได้หมดถ้าเห็นเพียงบางส่วนบางเวลาก็ทําให้เบาบางลงก็ได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิดารามีถ้าเห็นสุภะตลอดเวลาก็จะได้เป็นพระอนาคารามีได้ขั้นที่สาม ถ้าเป็นขั้นที่หนึ่งก็พบชาติก็เหลือไม่เกินเจ็ดชาติแะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าได้เป็นพระโสดาบันน่าจะไม่ต้องไปเกิดในอบายปิดประตูอบายได้เพราะจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดเพราะเห็นว่าการทําบาปไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาของความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็ไม่ต้องไปทําบาป อันนี้ก็ทให้พระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดพระอริยทุกรูปตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่ต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติสำหรับพระโสดาบันพระสกิรดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวพระนาคารมีก็ไม่มาเป็นมนุเป็นมนุษย์ติกต่อไปเพราะไม่มีกามอยู่ในใจไม่ต้องเสกกามไม่ติไม่ต้องมีร่างกาย ไปอยู่เป็นพรมได้เกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ไปบรรลุเป็นพาาาระหลานต่อไปหลังจากที่ได้ละสังโยนหิฆ้าข้อคื อ, อรูปราคะอารูปราคะมาน า, า, า, า, าอุทัจจ า, าวิชาอันนี้ก็เป็นสังโยชนี่ขั้นสูงที่พวกเรายังไม่ต้องไปรู้ก็ได้เพราะรู้ก็ทําอะไรไม่ได้ เอาสังโยชน์ข้อสามข้อแรกนี้ให้ได้ก่อนเขาแล้วกันข้อเดียว น, นะคือสักกายาทิฏฐิถ้าได้สักกายาทิฏฐิมันก็จะได้ลวิจิกิจฉาลศีละศละพัฒปรามาไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนนี้มันพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นตกตาทํามาจากดินน้ํานมไสที่นาย ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายไปเวลาแก่เจ็บตายก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นแล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วเราจะไม่ต้องไปทําบาปเพื่อมาคอยปกป้องรักษาร่างกายนี้เราจะรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทิ์ตลอดเวลาเราจะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น พอเราได้เป็นโสดาบันแล้วเราก็จะก้าวสู่การพิจารณาอสุภะต่อไปพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เรารักเราหลงเราชอบเอามาเป็นแพนของเราถ้าเห็นว่าเขาเป็นสร้างศพก็ต่อไปก็จะไม่อยากจะอยู่กับเขาเป็นสร้างศพที่ยังหายใจได้พอหายใจไม่ได้ก็ยกให้สับปเปล่าเลยพอยังหายใจอยู่นี่ใครมาแตะไม่ได้ แต่พอไม่หายใจแล้วขอร้องให้สับเปลอมารับเอาไปเลยดอยงนั้นพยายามดูตอนที่เขาไม่หายใจเอจะได้ไม่ไปหลงรักเขาดูตอนที่เขาเริ่มขึ้นเอิดพองขึ้นมาเฟ ะ, ฟะเหม็นเน่าแล้วก็อวัยวะน้อยใหญ่ก็เอแตกออกมาอาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีความรักในร่างกายของใครต่อไปอนี่ เราเอาแค่ขั้นขั้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อนี้ให้ได้ก่อนและจากกาักรยานิฐิให้ได้ก่อนแล้วก็มาละการมาราคะให้ได้แล้วเราก็ค่อยไปว่าถึงสังโยชน์เบื้องสูงต่อไปพอได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปไปอยู่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดน เอาลนะก็คิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะาวาริวาหาตุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางังอุปกัปติ อิชิตังปฏติต่างตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตพาวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะภิวาธนสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงฐานตอบปัญหาธรรม ใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดตอบคำถามวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสามร้อยคนค่ ะ, ะแล้วก็ยูทูบเจ็ดสิบคนค่ ะ, ะลาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบคนค่ะตอนนี้มีไลา์แล้วนะใครก็สมัครเข้ามาได้ อ่จะหาปุ่มไปนิ่พานไว้กดปุ๊บก็ไปถึงปั๊บเลยมีคำถามพูดใกล้ๆหน่อยดังๆหน่อยพูดใกล้ๆหน่อยจะถามว่าการให้พิษพนักงานที่มาช่วยเราเปิดประตูรถหรือเด็กเสิร์ฟอาหารหรืออะไรถือว่าเป็นพานไหยคะเป็นเลยก็ให้เขาเป่าๆนะ ก็เป็นการทำทานเพราะว่ามันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไม่ใช่ถ้าต้องให้ก็แสดงว่ามันจะถือว่าเป็นทานก็ได้ถ้าเรายินดีจะให้จ่ายภาษีก็เป็นเหมือนทำทานเหมือนกันถ้าเราคิดว่าการทำทำทานเสียสละเพื่อให้ประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยทำทานให้กับประเทศชาติก็คือการการเสียภาษีการ ถายเงินให้กับวัดก็เหมือนเสียภาษีให้กับวัดเนี่วัดจะได้เอาภาษีไปบูรณะซ่อมแซมวัดเราเสียภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลจะได้เอาเงินไปบูรณะดูแลบ้านเมืองงั <c oughs> การให้ไม่ว่าจะให้แบบให้ยังไงก็เป็นถือว่าเป็นเป็นทานถ้าเราให้ด้วยความยินดีเราต้องยินดีถ้าเราไม่ยินดีแล้วมันไม่เป็นทา น, ม, นมันเสียดาย มันก็จะเป็นเหมือนกับเงินถูกขโมยไปเงี้ยเวลาถูกเขาขโมยเงินไปเราไม่มีความสุขใช่ั้ยเพราะเราไม่ยินดีที่จะเสียเราต้องยินดีที่จะเสียถึงจะเป็นบุญเป็นความสุขใจขึ้นมาใน<อ>เวลาจ่ายภาษีก็คิดว่าเป็นการทำบุญแล้วเราจะได้มีความสุขอย่าพยายามเรี่ยงภาษีหรือทำบุญก็เรี่ยงเรี่ยงเลี่ยงภาษีเหมือนกันทำบุญแล้วก็ขอใบบุญไปหักภาษี คือแทนที่จะได้ร้อยบาทกับทำแค่เก้าสิบไปขอคืนสิบบาทให้คนอื่นทำแทนสิบบาทให้รัฐบาลทำแทนสิบบาทตัวเองทำเก้าสิบก็ได้บุญแค่เก้าสิบก็แสดงว่าไม่ไม่พอใจที่จะให้ให้ไปแล้วต้องสาธุสาธุอน้อ า, า, า, าจะมีความสุขใจ บุญแปลว่าความสุขใจก็ดูที่ใจเราเวลาให้แล้วเราสุขแล้วไม่สุขถ้าไม่สุขก็แสดงว่าไม่เป็นบุญยังยังเป็นทุกข์อยู่อ่ะอาจคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะคำถามจากคุณเรเรียนพระอาจารย์สำหรับคนที่มีศรัทธาออกบวชแต่มีหนี้สินคือผ่อนบ้านกับธนาคารหากให้ธนาคารยึด แล้วฟอมล้มละลายจะบวชได้หรือไม่ครับน่าจะบวชได้เนี่ยถ้ามันไม่มีไม่มีภาระทางเงินทองให้เขายึดไปล้มละลายเพราะเป็นผ้าก็เป็นคนล้มละลายอยู่แล้วพระไม่มีทรัพย์สินกานที่จะมาบวชนี่ต้ก็ต้องเป็นคนล้มละลายก่อนถึงจะมาบวชได้ถ้ายังมีทรัพย์สินนี่ยังบวชไม่ได้ห้ามบวชพระพุทธเจ้าให้มีทรัพย์สินแค่แปดชิ้น เวลามาบวชนี่ให้มีอัตถาบริขารเท่านั้นดังนั้นการล้มละลายนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนากลับถือว่าเป็นเรื่องดีจะได้จะได้ปลดปลื้มภาชะทางด้านเงินทองหาเงินใช้เงินมาหาธรรมดีกว่าออกไปคำถามจาก a c e b o o k ไลฟ์ค่ะจากคุณกระมน เวลานั่งสมาธิถ้าฟังธรรมะไปด้วยจะได้ไหมคะเพราะเวลาฟังธรรมะไปด้วยรู้สึกจิตสงบจิตจะจดจ่ออยู่กับธรรมะที่ฟังไม่ค่อยส่งออกนอกและนั่งสมาธิได้นานขึ้นค่ะคือถ้าเรายังไม่มีสติพอที่จะควบคุมใจให้สงบได้ได้ตัวเองเช่นให้อยู่กับลมหายใจยไม่ได้หรืออยู่ได้ไม่นาน แต่กับอยู่ได้นานกับฟังธรรมก็ใช้การฟังธรรมไปก่อนแต่ความสงบมันจะต่างกันสงบจากการฟังธรรมนี้มันอาจจะไม่ลึกเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกจะไม่รวมเต็มร้อยถ้าดูลมนี่มันจะเข้าไปข้างในได้หมดแต่ถ้าฟังเสียงมันยังมีเสียงดึงเอาไว้อยู่เพราะฉะนั้นก็ ถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุโทโธไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนฟังไปจนกระทั่งใจสงบในระดับที่จะดูลมได้พุโทโธได้ก็ดูลมต่อไปปิดเสียงธรรมไปแล้วก็ดูลมเพ่งต่อไปคำถามจากคุณพิทักษ์ความอยากหรือความปรารถนาที่เราอาธิษฐานไว้ว่าขอให้ภายภาคหน้าได้หลุดพ้นจากการเวียนไ่ายตายเกิด ได้บรรลุและเข้าใจในหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริงถือว่าเป็นความอยากที่ไม่เป็นกิเลสใช่ไหมครับก็ยังเป็นความอยากที่ไม่ถูกความอยากที่ถูกต้องทำปัจจุบันขอให้เราปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นอย่าไปขอให้หวันข้างหน้าเพราะว่าวันข้างหน้ามันมันจะหลุดไม่หลุดมันอยู่ที่ปัจจุบันว่าเราจะทำให้มันหลุดหรือไม่ถ้าเราไม่ทาปัจจุบันเช่นเรามี อมีหนี้ถ้าเราไม่จ่ายหนี้แล้วเรานั่งภาวนาขอให้อนาคตหนี้หมดมันไม่มีวันหมดน ะ, ะพรุ่งนี้หนี้มันก็ยังอยู่เท่าเดิมถ้า อ, อยากจะให้หนี้พรุ่งนี้หมดก็จ่ายเช้าวันนี้งั้นขอให้เราตั้งจิตไว้ในปัจจุบันตั้งอธิษฐานจิตไว้ในปัจจุบันต่อไปนี้ขอให้ได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เต็มรอ้อยขอให้ทําเต็มร้อยแล้วเดี๋ยว พรุ่งนี้มรรคผลที่พ่านก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปคำถามจาก y o u t u ู e ค่ะจากนายศักดิ์สิทธิ์ค่ะพระอาจารย์พ่อแม่ทะเลาะถึงขั้นตบตีกับผู้เป็นตบตีกันผู้เป็นลูกจะใช้ทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ในฐานะผู้เป็นแก้วตายดวงใจของพ่อแม่ครับผู้เป็นลูกถ้าเป็นกรรมการอย่าได้ก็อย่า ถ้าไปห้ามเขาได้ก็ห้ามถ้าเป็นกรรมการไม่ได้ก็เป็นคนดูไปก็แล้วสันเราอย่าไปลงไปลุยกับเขาด้วยปล่อยเขาไปผู้มีพระคุณก็เขาก็เป็นคนมีกะเลนเหมือนเราบางทีเขาก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเขาก็ห้ามหากห้ามจิตใจไม่ได้ก็ถ้าเราไปห้ามได้ไปแยกเขาได้ก็ประธรมถ้าห้ามไม่ได้แยกไม่ได้ก็นั่งดูเฉย คำถามจาก Facebook l i v e ค่ะจากคุณธั ญ, ญรัตน์ค่ะทำบุญมาสิบกว่าปีแล้วยังไม่เห็นผลบุญเลยค่ะรู้สึกท้อใจมากค่ะต่อไปหนูจะทำอย่างไรดีเจ้าคะอ๋อมันเกิดแล้วแต่เรามองไม่เห็นเองเราไม่ดูมันผลบุญก็คือความสุขใจเวลาเราทำบุญเราจะมีความสุขใจนั่นละคือผลบุญแนละ้วส่วนผล อ, อ, อ, อีกสองอย่างที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องรอให้ตายไปก่อน ถ้าตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทพเพะเรามีเงินติดตัวมีบุญติดตัวไปก็เหมือนกับเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศถ้าเรามีเงินเราก็ไปเที่ยวได้ถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องไปเป็นขอทานงนั้นส่วนแรกเราได้แล้วแต่เราไม่ไม่เห็นไม่รู้คือความสุขใจสบายใจส่วนที่สองที่เราจะได้หลังจากที่เราตายไปแล้วก็คือเราจะได้ไปสวรรค์ชั้นต่าง เหมือนกับการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วพอกลับมาจากการท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาเบิกเงินที่เราได้ทำบุญไว้เราก็จะมาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินเพราะบุญที่เราทำนี้เหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของพบหน้าชาติหน้าพอกลับมาเกิดก็มีเงินทองไปเบิกได้ใช้ได้เลย อย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญทำทานันกระทั่งท่านไม่มีไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่พอท่านตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วพอจากสวรรค์ก็กลับมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีประสาทสาฤดูอรออยู่แล้วมีมีความสุขมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายนี่ก็เป็นผลที่เกิดจากการทาบุญ แต่ขณะตอนที่เป็นพระเวชสารดรนนันก็มีความสุขใครขออะไรก็ให้ให้แล้วมันรู้สึกมีความสุขเบาอกเบาใจสบายใจโล่งอกไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงกับของที่เราให้เขาไปถ้ายังมีของอยู่ก็ยังต้องห่วงต้องห่วงต้องวิตกต้องกังวลอยู่พอมันไม่มีแล้วมันก็เลยหายโล่งอกโล่งใจสบายใจนี่คือบุญ ที่จะเกิดขึ้นสามระยะล้วกันระยะแรกก็คือเวลาทําแล้วใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มใจภูมิใจแล้วพอตายไปเราก็จะไปสวรรค์แทนที่จะไปอาบายเราจะได้ไปสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเงินทองรอเราอยู่กลับมาเกิดเป็นลูกของคนรวยไม่ต้องหาเงินพ่อแม่หาเงินเตรียมไว้ให้แล้ว ถ้าไม่ได้ทําบุญก็ไปเกิดเป็นขอทานลูกขอทานต้องไปขอทานไปหาเงินกันเอาเองอันนี้อย่าตกใจทําบุญมาสิบปีนี่โอ้ยรับรองได้บุญเยอะแยะแล้วอทําต่อไปทําไปจนวันตายแต่อยากจะให้บุญมากกว่านี้ก็ต้องรักษาศีลอย่าถ้าเอาแต่บุญที่เกิดจากการทําทานเนะท่านั้นทาบุญรักษาศีลว่าจะได้ไม่ไปเกิดในอบาย ถ้ายังเราไม่รักษาศีลตายไปยังไปเกิดในอบายได้อยู่มันต้องทาบุญเราก็ต้องรักษาศีลด้วยถึงจะไปไปสวรรค์ได้ถ้าทาบุญอย่างเดียวถ้าตายไปไม่รักษาศีลก็ไปเป็นสุนัขแต่เป็นสุนัขที่สวยมีคนรักเอาไปเลี้ยงเพราะว่าอานิสง์ของคนทาบุญนี่จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ถ้าไม่ได้ทำไม่ได้รักษาศีลทํำบาปมันก็ดจะไม่ได้ร่างกายของเทวดาะจะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ต้องได้ร่างกายของเดรัจฉานก่อนอก็ไปเป็นปลาสวยๆนกสวยๆแมวสวยๆม้าสวยๆให้เข า, เาไปเลี้ยงดอออูอย่างนั้นต้องนอกจากทําบุญแล้วก็พยายามรักษาศีลให้ได้ศีลห้าแล้วรับรองได้ตายไปได้ไปไปสวรรค์ กลับมาก็จะได้เป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทวดาก็ต้องไปทำบุญแบบนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็เป็นการทำบุญอีกแบบหนึ่งทาให้ใจมีความสุขมากขึ้นมากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญแล้วถ้าอยากจะไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ต้องไปนิัพนาไปทำฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญา ให้เห็นไตรักให้เห็นอริย ส, สัจสีแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปต่อไปคําถามจากคุณกฤชกรค่ะเวลาปฏิบัติที่บ้านต้องใส่ชุดขาวเหมือนตอนปฏิบัติที่วัดหรือเปล่าคะเออไม่จําเป็นหรอกใส่เสื้อผ้าให้เราสบายสบายก็แต่ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ต้องใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดสวยๆงา ม, งาม ใส่พอปกปิดร่างกายให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขก็พอแต่ก็อย่าเอาแบบใส่ชุดนอนปฏิบัติเลย <c oughs> ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนอื่นก็เห็นก็ควรจะใส่ชุดเรียบร้อยหน่อย <c oughs> คําถามจากคุณสุรัตดาค่ะคารวะธรรมดาสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไหมเจ้าคะ หรือจะต้องเฉพาะพระภิกษุ ส, สงฆ์ที่บรรลุพระอาหารหันต์แล้วเจ้าคะคารวะก็บรรลุได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทุกลูกเพราะท่านไม่มีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยพระภิกษุที่เป็นพระอาหารหันต์ได้ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยคารวะถ้ามีศีลสมาธิเป็นญาเต็มร้อยก็บรรลุได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระภิกษุหรือ เป็นอะไรเป็นอยู่ที่ว่ามีมีมรรคคือศินสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้ามีมรรคผลก็ต้องตามมามารรค 4, สี่ผลสี่สินสมาธิปัญญานี่คือมรรคสี่พอมีมรรคสี่ผลสีก็เกิดขึ้นมาผลสีนิพพานก็ตามมาคําถามจากคุณชนะธนันกายทิพย์กับกายหยาบต่างกันอย่างไรคะกายทิพย์ก็คือ ใจที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วกายอยาบ ก, ก็คือร่างกายของเราร่างกายคือร่างกายที่ทํามาจากธาตุสี่ทีน้ําลมไฟมีอาการ32อันนี้เราเรียกว่ากายยาบ ก, กายที่เป็นกายละเอียดกว่าไม่สามารถมองด้วยตาเนื้อได้ต้องใช้ตาในจะเห็นจะเห็นกายทิพย์ได้ต้องนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิจิตสงบแล้วก็จะสามารถเห็นกายทิพย์ทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้เป บางคนถ้ามีความสามารถพิเศษก็จะสามารถติดต่อกับกายทิพย์ของผู้อื่นได้ติดต่อกับเทวดาอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมีเทวดามาติดต่อกับท่านฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแม้แต่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยังมาพบกับหลวงปู่มัน่นพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ไม่ได้ตายไปหลังจากม่พานแล้วกายทิพย์ของท่านก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้มีร่างกายมาติดต่อกับพวกเราท่านจะติดต่อได้ก็กับพวกที่มีสายตรงคือมีสมาธิมีที่สามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นสื่อพวกเรายังไม่มีไม่มีพลังจิตยังต้องอาศัยพลังกายเวลาจะคุยกันต้องมีร่างกายถึงจะคุยกันได้พอร่างกายไม่มีก็ติดต่อกันไม่ได้ คำถามจากคุณกลาถ้าเราทราบว่าเพื่อนคิดทำบาปแต่เราก็ไม่ได้ห้ามเราจะบาปไปด้วยไหมคะไม่บาปหรอกถ้าเราห้ามได้ก็ห้ามห้ามไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คำถามจากคุณแนงอยากถามว่าทำไมนอนมีแต่ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วทั้งแม่และแม่ยาอาจจะเป็นแม่ยาเราะยายเรามีความผูกพันมากกัน ถ้าเรามีความผูกพันมากกับกายเราก็จะคิดถึงเขาบ่อยๆพอเวลานอนหลับเราก็จะฝันถึงเขาคํถาถามจากคุณอ้อยค่ะนมัส ก, การด้วยความเคารพค่ะวัดที่ถูกคัดชื่อออกแล้วนั้นยังสามารถไปทําบุญได้ไหมคะพระที่ยังครองสมณะเพศอยู่นั้นยังถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่สมบูรณ์ตามพระวินัยไหมคะก็อยู่ที่ว่าท่านปฏิบัติตามธรรมพระวินัยได้สมบูรณ์หรือเปล่า ถ้าท่านมีสิลสมบูรณ์ท่านก็ยังเป็นพระอยู่นี่เรื่องถูกการคัดออกนี่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเขาคัดออกราออะไรก็ต้องไปศึกษาดูถ้าไม่มั่นใจก็ไปไปทำกับพระที่เขาไม่ได้ถูกคัดออกจากบัญชีก็จะอาจจะดีกว่าแต่ไม่ว่าจะทำกับใครเราได้บุญทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยนี้อาจจะ ไม่ไม่ได้หรือได้น้อย э? เช่นถ้าเราไปทำบุญกับพระที่ไม่มีศีลท่านก็ไม่สอนศีลให้เรา <Cow S 1> <c oughs> ไปทำบุญกับพระที่ไม่มีสมาธิท่านก็จะไม่สอนสมาธิเพราะท่านไม่มีจะความรู้ที่จะสอนแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่มีศีลมีสมาธิท่านก็จะสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิให้กับเราเหมัอนกับไปเติมน้ำมนันรถอย่านเงยบางปั๊มก็มีของแจกบางปั๊มก็ไม่มีของแจก ถ้าเราต้องการน้ามันอย่างเดียวไปไ ป, ไปเติมปั๊มไหนก็ได้ถ้าเราต้องการบุญอย่างเดียวบุญที่เกิดจากการให้ให้ใครก็ได้ให้วัดที่อยู่ในบัญชีก็ได้ให้วัดที่อยู่นอกบัญชีก็ได้ให้หมาก็ได้ให้แมวก็ได้แต่ถ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนหรือของแจกเราก็ต้องไปดูว่าเขาแจกอะไรวันนี้เขามีอะไรแจกวันนั้นเขามีอะไรแจกก็ต้องเลือกเอาของแจก บางทีเราอยากจะได้ความรู้ก็ไปทําบุญที่มหาลัยก็จะได้คุยกับอาจารย์อาจารย์ก็จะมีความรู้ให้เราอยากจะรู้เรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องรักษาก็ไปทําที่โรงพยาบาลถามหมอเราจะได้ถามหมอลักวิธีรักษาโรคมะเร็งทำทำกันอย่างไรมันก็จะได้ความรู้กลับมาดังนั้นการทําบุญมันได้สองกระทงเลได้สองแด้ง เด้งแรกเหมือนก็นคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละเท่าของเงินทองอันนี้ทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันส่วนเด้งที่สองคือสิ่งที่เราได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยอยู่ที่ว่าเขามีอะไรจะให้เราถ้าเราไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าท่านก็จะให้นิพพานเหรอสาวิธีไปนิพพานแบบง่ายๆกดปุ่มถึงเลยไม่ต้องมานั่งฟังเทศอย่างนี้เนื่องมาที่นี่ไม่มีปุ่มให้กด มีแต่ความเพียรความพยายามต่อไปคำถามจากคุณพิพัฒพงศ์ถ้าเราอยากบวชแต่พ่อแม่และพันรยายังไม่อนุญาตควรทำอย่างไรดีครับก็ในสมัยพุทธกาลก็มีคนชายคนหนึ่งอยากจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ให้บวชเพราะเป็นลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีถ้าบวชแล้วไม่รู้จะเอามอดกให้ใครเลยไม่ให้บวช คนที่อยากจะบวชก็เลยโอดอาหารไม่ยอมกินอาหารยอมตายถ้าไม่ได้บวชพอพ่อแม่เห็นมันจะตายจริงๆก็เลยยอมให้เขาบวชคำถามหมดแล้วค่ะบวดแล้วนะงั้นเราพร้อมที่จะตายหรือยังถ้าเราอยากจะบวชคนที่ยามไปนิพพานได้ต้องยอมตายนะอย่างหลวงปู่ขาวท่านบอกนิพพานอยู่ฟากตายถ้าไม่ยอมตายแล้วเหมือนกับเรือที่ไม่ยอมถอนสมรเรือ ไม่ยอมปล่อยร่างกายมันก็ไปนิพพานไม่ได้ถ้าไม่ถอนสมอเรือเรือก็จะแล่นไปไม่ได้เรือก็จะลอยอยู่กับที่อยากจะให้เรือแล่นไปก็ต้องถอยถอนสมอเรืออยากจะไปนิพพานก็ต้องยอมตาย ถาม่ยอมตายไม่ได้ข้าตัวตายไม่ได้ตายหรอกเพียงแต่ให้ยอมตายเท่านั้นเองมันยากอย่างไเปลี่ยนใจอยากไม่ยอมเป็นยอมทนั้นเองร่างกายมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมร่างกายมันก็ไม่ได้ตายเวลาเรายอมตายร่างกายมันก็ไม่ได้ตายไปกับเรากับการยอมตายเวลาไม่ยอมตายร่างกายมันก็ตายถึงเวลามันจะตายจะยอมหรือไม่ยอมมันก็ตายอยู่ดีเพียงแต่ยอมแล้วมันสบายใจมันหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากไม่ตาย มันถึงจะไปถึงนิพพานได้เพราะนิพพานเกิดที่ไม่มีความอยากทั้งหมดอยากเป็นก็ไม่ได้อยากไม่ตายก็ไม่ได้อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไม่ได้คือไม่มีความอยากเลยถึงจะไปนิพพานได้ถ้ายังยังอยากอยู่ยังไม่อยากตายนี่ก็แสดงว่าไปนิพพานไม่ได้เพราะยังมีความอยากอยู่เังนั้นความอยากนี้มันไม่มันไม่มีคนกับเราเลยความอยากไม่ตาย พอยอมตายแล้วมันก็ยังไม่ได้ทาให้ร่างกายตายหรอกถ้าร่างกายมันยังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายหรอกจะอยากแล้วไม่อยากถ้ามันถึงเวลาตายแล้วอยากไม่อยากมันก็ตายเองแต่ว่าถ้าเราไม่อยากถ้าเราไม่มีความอยากไม่ตายมันจะไม่ทุกข์เรายอมตายนี่เราจะไม่ทุกข์เราก็จะไปนิพพานได้งั้นขอให้เรามาพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วมันไม่น่ากลัวเลยความ ความยอมตายนี่เป็นสิ่งที่ดีจะตายไหมยอมตายยอมเจ็บยอมแก่นี่สบายไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยอมผมกันแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้โอ้ยต้องคอยยอมผมกันอย่างนั้นตอนนีย้ยอมแก่กันแล้วใช่ไหมสบายใจไหมกับความแก่เอาไปเวลาเจ็บก็ยอมเจ็บนะมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็ผู้รู้ก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วเราจะไม่ทุกข์กับการเจ็บ เวลาคามตายก็แบบเดียวกันถึงเวลามันจะตายก็เราก็พุทโธพุทโธไปถ้ามันจะตายมันก็แค่แป๊บเดียวเหมือนกับนอนหลับนั่นเองพอไม่หายใจมันก็หลับไปละทุกวันเราก็ตายอยู่ทุกวันอยู่แน้วไม่ใช่ตอนคืนนี่เราก็ตายที่งนั่งกายไว้ชั่วคราวแล้วเราก็ไปไหนก็ไม่รู้ตายตามบุญตามบาปของเราในฝันเนี่ยเป็นฝันดีก็บุญพาไปฝันร้ายก็บาพาไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับตื่นขึ้นมาใหม่ เวลาตายก็เหมือนกันเวลาตายก็ฝันไปตามบุญตามบาปไปพอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกันคพียงแต่นอนหลับแบบแบบเปลี่ยนร่างกายกับนอนหลับแบบไม่เปลี่ยนร่างกายเท่านั้นเองเวลาตายก็เป็นแบบหลับแบบแบบเปลี่ยนร่างกายดีสิของเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีแต่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไปเสียได้มันทําไมอมันจะตายให้มันตายไปเดี๋ยวพอตื่นขึ้นมาโ อ, อ้ได้ร่างกายใหม่ เหมือนไปทำสัญญกรรมใช่ไหอ <c oughs> ไปเปลี่ยนตายเปลี่ยนตับนี่เปลี่ยนทั้งร่างกายเลยนี่มีข่าวล่าสุดว่าหมอที่ประเทศจเจอรี่ว่าต่อไปเขาจะพยายามเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนศีรษะได้เปลี่ยนศรีศ <c oughs> นศรษะได้เลยตอนนี้เปลี่ยนหน้าได้เอาผิวหน้าของคนมาปะกับผิวของคนที่มีชีวิตอยู่เอาผิวของคนที่ตายไปนี่ถอดมาปะได้แต่ต่อไปเขาจะตัดหัวของคนที่ตายนี่มาเปลี่ยนใช่ไลย เมาต่อเลยต่อหัวได้ก็วันนี้กําลังพยายามทำํำแต่อย่างนี้ก็จะทรมานสู้เปลี่ยนทั้งร่างกายเลยดีกว่า เ, า เ, าเาวะลาตายก็คิดว่าเรากําลังไปทําสัญญกรรมอไปต่ออายุไปต่อความทุกข์ใหม่ถ้าจะมองว่ามันเป็นความทุกข์ก็ต้องเกิดเพราะมันเกิดใหม่มันก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ถ้าเรายังชอบความเกิดอยู่มันก็คิดว่าเวลาตายนี้เป็นเวลาที่เราได้ไปเปลี่ยนร่างกาย มันจะได้ไม่ทุกเวลาตายยอมตายเพื่อจะได้ร่างกายใหม่อันนี้ก็อาจจะสอนไม่ถูกควรจะไม่ควรยอมตายแล้วไม่มีร่างกายอันใหม่ดีกว่าขอให้เป็นร่างกายสุดท้ายดีกว่าพอได้ร่างกายใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่ถ้ายังยังมีความอยากจะอยู่ต่อไปก็คิดว่าเวลาตายก็เหมือนกับเวลานอนหลับแล้วก็ให้หมอเขาทําสัญญกรรมเปลี่ยนร่างใหม่ เอาร่างกระร่างไม้ออกไปแล้วเอาร่างกายมาใส่ที่วิญญาณของเราอันเดิมพอตื่นขึ้นมาก็ได้ร่างกายอันใหม่แต่ไม่เวลาเรามาเกิดใหม่เนี้ยเราเปลี่ยนร่างกายอันใหม่แล้วก่อนที่เราจะได้ร่างกายอันใหม่เป็นเด็กทารกนี่เมื่อก่อนเราเป็นคนแก่เป็นคนอะไรอยู่นะพอตายไปเราก็เลยต้องเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็มีเท่านีาา้เรื่องการเกิดการตายก็เหมือนการหลับการตื่นนี่เอ แล้วเวลาระหว่างที่หลับไปมันก็ฝันไปเวลาที่ตายก็ฝันเอถ้าฝันดีก็เป็นเทพเป็นพรมไปฝันร้ายก็เป็นเปรตเนาสุลกายเป็นนรกไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ร่างกายใหม่ถ้าถ้ายังไม่ได้ร่างกายมนุษย์ก็เอาร่างกายของเดรัจฉานก่อนเป็นแมวเป็นนกเป็นปลาเป็นมดไปฆ่าอะไรมาก็ไปเป็นสิ่งนั้นก่อน ฆ่ามดฆ่าอะไรก็ไปเป็นมดก่อนตบยุงก็ไปเป็นยุงให้เขาตบก่อนสหรับฉากกันกําลังใช้กรำใช้กรำชดใช้กรอย่างถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นยุงให้เขาตบก็อย่าไปตบยุง่อกนี้เคลียมันไล่อยมันไปเชิญมันไปเคลียร์ไฟเทิดไปเทอ ด, อดนะอนี้เราไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นยุงให้เขาตบไม่ต้องไปเป็นมดให้เขาเหยียบไม่อย่ากทำบาป ทำอะไรแล้วต้องใช้ใช้ใช้ใช้ผลใช้กรรมของการกระทาของเราเรามีกรรมเป็นของของเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลบุญและผลบาปนั้นให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้กลัวบาปมีเฮเรโอตาป ะ, ะนี่คือเรื่องจิตใจของเราที่ไม่ตาย แต่ยังมีความผูกพันกับร่างกายก็เลยต้องไปเป็นมีร่างกายชนิดต่างๆตามบุญตามบาปที่เราได้ทากันไว้ถ้าเราตัดความอยากได้เราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่ก็คือเรื่องของของธรรมะเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เล่านามสอนเรา เราเรียกว่าเป็นสวากขาโตภะกวาตาธรรมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วคือถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการอขอให้เราเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ทำบุญได้ดีทำบาปได้แต่สิ่งที่ไม่ดีอมีคำถามมีไหมมีเพิ่มค่ะจากคุณอภิวัตรค่ะเราควรทำดีกับทุกคนไหมครับหรือควรเลือกปฏิบัติครับเออทำได้ทุกคน ส, รรพสัพพสัตเนจเพศสัตตา ให้มีความเมตตาต่อทุกคนอยาจะทํามากทําน้อยก็ดูที่กําลังของคนที่รับว่าควรจะได้รับมากน้อยเพียงไรคนที่ไม่ดีก็ได้เพียงแต่ขั้นพื้นฐานคือปัจจัยสี่เช่นนักคุกนักโทษติดคุกติดตารางเขาก็ยังต้องมีปัจจัยสี่ให้อยู่ไม่ให้เขาตายม่เขาอดตายมีอาหารมียารักษาโรคไม่สบายก็มีหมอมีโรงพยาบาล มีเสื้อผ้าให้ใส่มีที่อยู่ให้แต่ก็ให้ไม่มากแล้วก็ต้องให้อยู่ในในขอบเขตที่จากัดไม่ปล่อยให้ไปสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเป็นคนดีก็ให้เยอะแยะเลยอย่างครูบาอาจารย์หลวงตานี่คนให้เป็นทองคาเป็นตันเลยเพราะท่านจะเอาไปทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป งั้นเราให้ให้ได้ทุกคนทำความดีได้กับทุกคนแต่ต้องดูศักยภาพของผู้ที่จะรับว่าจะทำเอาไปทำประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรถ้าเอาไปทำโทษก็ให้เพียงแต่ปัจจัยสี่พออยู่ได้แล้วก็ต้องกัก บ, บริเวณอย่างพวกนักโทษอย่างนี้อันนี้ก็มีความเมตตากับทุกคนนะ ส, สัตเปสัตตาอ่ต่อไปหมด<อ>แล้วหลค่ะ มีใครอยากจะถามไหมไม่มีจะจะขอโอกาสปิดประชุมแล้วนะมีเพิ่มหนึ่งคาถามจากคุณธนชัยค่ะลูกน้องไม่กับเราถ้าจะเป็นไม่ดีกับเราควรทำอย่างไรครับก็ปล่อยเขาไม่ดีไปเราก็ดีกับเขาไปเอาความดีชนะความไม่ดีทาย่อมชนะอธรรมทำความดีกับเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจเอง ก็เห็นความดีงามของเราเลือดร้อนก็ช่วยเหลือก็ไปมีอะไรก็แบ่งให้เขากินแบ่งให้เขาใช้เดี๋ยวความคิดไม่ดีก่อนเราเขาก็จะเปลี่ยนไปหายไปเองไม่หายก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเราก็แล้วกันแต่เราอย่าไปทําไม่ดีกับเขาเพราะการไปทําไม่ดีแล้วมันจะทําให้ต่อบตอบโต้ตกันไปอยอย่างถ้าเราทําดีกับเขาไม่ได้ก็เฉยเฉยอย่าไปตอบโต้ ทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวาง เ, าเขาจะด่าเราก็เฉยไปถ้าเราพูดสาธุได้ก็สาธุไปไม่เป็นไรเธออยากจะด่าเราเรายินดีฟังแล้วเราไม่ด่ากลับทุกครั้งที่เธอด่าเราจะให้รางวัลเธอซื้อขนมให้เธอกินอออแผ่ เ, เมตตกับดูซิว่าใครจะชนะกัน หมนได้ยังคาถามอีกคาถามนึงค่ะาคาจากคุ ณ, คณนภัชนันค่ะการครบหรือการไม่คบนั้นคือการปฏิบัติต่อบุคคล น, นั้นอย่างไรคะคือถ้ารู้ต้องรู้จักการนั่งทำงานร่วมกัน ก, ก็ทำงานร่วมกันได้คำว่ า, าคบหมายถึงอย่าไปเข้าฝูงกับเขาอย่าไปเข้ารีดกับเขาคือเขาชวนให้เราไปทำอะไรนี้ถ้าเป็นการกระทาที่ไม่ดีเราอย่าไปทำเช่นเขาชอบดื่มสุรา พอเลิกงานก็ชวนเราไปเดินชวาอย่างนี้เราบอกเราต้องขอตัวแล้วต้องกลับบ้านนี่คือไม่ครบแบบนี้แต่ถ้ า, าต้องทํางานครบกันก็ทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทําได้ต้องแยกแยะเพราะว่าคนเรามันมีส่วนที่ดีและไม่ดีปนกันอยู่ในเวลาที่เขาชวนเราไปในทางที่ไม่ดีเราอย่าไปเท่านั้นเองแต่ถ้าไปในทางที่ดีไปได้ก็ไปด้วยกันได้ในคนคนเรานี่มันมีทั้งบัณฑิตมีทั้งผ่านปนยนต์อยู่ เวลานนเวลาทําความดีก็เป็นบัณฑิตเวลาทําความไม่ดีมันก็เป็นคนพานไปเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแ ย, กแยกะเท่านั้นเองว่าตอนนี้เขาเป็นบัณฑิตหรือเป็นพาลถ้าเขาเป็นบัณฑิตก็ไปกับเขาได้เขาชวนไปวัดก็ไปกับเขาพอเขาชวนไปขโมยก็อย่าไป น, นี่ก็คื อ, ค อ, คอการครบต้องครบแบบนี้ครบด้วยการกระทำํำหมดแล้วนะมีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายค่ะ จากคุณเพนประภาค่ะเราทําความดีใส่บาตร ท, ทาบุญอันนี้ส่งจะถึงบุตรในคันหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่ถึงหรอกก็เป็นเรื่องของเราบุตรนี้เขายังไม่ได้เกิดก็บุญนี้เขาจะต้องทําของเขาเองบุญของใครบุญของมันนั้นอยู่ในคันหรืออยู่นอกคันก็ไม่ถึงลูกที่เกิดมาแล้วก็ไม่ถึงบุญที่เราทํานี้เป็นของเรา ถ้าอยากจะให้ลูกเขามีบุญเขาต้องสอนให้เขารู้จักทำบุญพอสอนเขาแล้วต่อไปเวลาเขามีเงินทองที่เขาไม่ต้องใช้เขาไปทำบุญเขาก็จะได้บุญต้องทำเองต้องเสียสละเองต้องเป็นของของตนเองด้วยเราให้เงินลูกไปทำบุญนี่ลูกยังไม่ได้บุญเพราะมันเงินเราไปบอกให้เขาไปทำแต่ถ้าเราให้เขาโดยที่ไม่บอกว่าให้เขาไปทำอะไรแล้วเขาไปทาบุญเองนี่เขาได้บุญ ก็เกิดจากใจของเขาจากการที่เขาอยากจะเสียสล ะ, ะเงินทองนั้นไปพอแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจณ า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ